สำหรับตอนนี้อาตมาขอถวายพระพรพระมหาบุพพิตรในเรื่องของระวิโตกจริตกับโมหจริตสำหรับวิโตกจริตและโมหจริตทั้งสองประการนี้องค์สมเด็จพระจินทรสีทรงแนะนําให้ใช้กรรมฐานข้อเดียวกันเป็นเครื่องระงับความฟุ้งซ่านและความไม่แน่นอนของจิต สำหรับพื่กรรมฐานนี่องค์สมเด็จพระวิชิตรรมานทรงประทานให้เป็นขึ้นงระงับและคู่ปรับกรรมฐานคู่นี้หรือว่าอารมณ์แห่งวิตกจริตและโมหจริตก็ได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานตอนนี้อรตมาจะขอถวายพระพรในลักษณะของวิตกจริตและโมหจริตก่อนสําหรับวิตกแระวิตรไม่คิด ไม่ตกลงใจมีอารมณ์ที่มีความไม่แน่นอนใจสำหรับโมหจริตก็มีความหลงเป็นปกติคนที่มีวิตกจริตกับโมหจริตทั้งสองราการนี้มีอาการคล้ายคึงกัน <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ตกลงมีอารมณ์คิดอยู่เสมอหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ ด้วไม่แน่นอนว่าจะคนตัดสินใจเป็นการใดถ้ามีใครมาบอกเหตุสำคัญหรือไม่สำคัญคนประโยชน์เที่ยงได้หรือไม่ได้ความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นกับบคุคคลประเภทนี้ลักษณะที่เห็นไ ง, ไง่ายๆคนที่มีวิตกจริตเป็นคนที่มีอารมณ์ซึมไม่ค่อยมีการจะปรี้กับเรา ไม่กล้าตัดสินใจที่มีความสาคัญใดๆถ้ามีเรื่องอื่นที่จะเพึ่งเกิดขึ้นเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นมักจะชอบโยนกลองให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่ทันงนี้เพื่อหากำลังใจที่ตัดสินใจแน่นอนไม่ได้เรื่องท่านที่มีโมหะจริโมหะแปลว่าความหลง อ่นประเภทนี้ก็มีลมคิดมากเหมือนกันคิดอยู่เสมอว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ของเล็กของน้อยก็มีความหวงแหนเป็นปกติมีความหลงในทรัพย์สินความหลงในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าตัวจะไม่ตาย แล้วมีความคิดอยู่เสมอว่าทรัพย์สินทั้งหลายของเราที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากเราจะไม่ยอมแบ่งปันให้ใครจะกอบโกยไว้บำรุงความสุขไปตนแต่ผู้เดียวอารมณ์ทั้งสองราการนี้องค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นอารมณ์แห่งความฟุ้งร้างของจิต คือจิตไม่มีการปรงไม่สามารถจะตัดสินใจไม่สามารถจะทํางานใดๆให้รุล่วงไปได้โดยรวดเร็วแล้วก็มีความหวงมีความยึดเหนี่ยวอยู่เป็นปกติอารมณ์ก็มีความฟุ้งซ่านเฉพาะนักวิตกจริตก็คิดเยอะเสมอก็เกรงว่าความผิดเกรงความพลังล้งพลาดจะเกิดขึ้นไม่กล้าตัดสินใจ เสำหรับท่านที่มีมโมหะจริตนั้นก็หลงไม่รู้ความเป็นจริงไม่แสวงความหาความสุขในการเกื้อกูล <c oughs> ไม่แสวงหาความสุขในการละในการเสียสละการสงเคราะห์บุคคลอื่นและก็หลงในชีวิตคิดว่าจะไปแก่คิดว่าจะไม่ป่วยคิดว่าจะไม่ตาย ถ้าความเร้าร้อนใจเกิดขึ้นเพิ่มไล่ความแก่ก็ดีความป่วยก็ดีความพัดพลาดจะคลองรักของชอบใจก็ดีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เมื่อรมของบุคคลประเภทนี้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจองค์สมเด็จรรพระจอมไตรพรมศาสดาจึงทรงแนะนํา ให้ใช้กรรมฐ า, านที่มีความสําคัญมีอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่ในการทรงจิตให้เป็นสมาธิทั้งนี้พราใหร่ก็เขาว่าต้องพยายามรักษารมณ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความคิดใดๆทั้งหมดอ ง, ง์สมเร็จพระบรมสุคตสมประธานให้กําหนดรูลมให้ใจเข้าออก <c oughs> เวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ไม่ต้องใช้คำภาวนาหรือการพิจรารณาใดๆทั้งหมดถ้าใช้คำภาวนาและการพิจารณาแล้วอารมณ์จิตก็จะชวนให้เกิดความฟุ้งซ่านมากขึ้นเจนั้นต้องระงับการธรวิภาวนาและพิจรารณาใดๆให้สิน้น ไม่ใช่อารมณ์คิดให้คิดระ ว, วังอยู่อย่างเดียวคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้พยายามกำหนดรู้อยู่เป็นอันดับแรกและอันดับต่อไปเมื่อจิตใจเริ่มความมีความสมบายจิตใจคลายจะอารมณ์ความคิดความฟุง้งซ่านก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นนี่จะได้ของมหาคติประธานสูตร ในการใช้เวลากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกอันนี้ตามที่เคยฝึกกันมาอาตมาเห็นว่าไม่ควรจะใช้เวลาให้มากเกินพอดีนี่คำว่าพอดีสำหรับแต่ละบนรมีบุคคลก็อาจาจะไม่สม่ำเสมอกันถ้าการควบคุมอารมณ์จิตไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการถ้าใช้เวลามากก็จะเกิดความกลุม ควรจะใช้เวลาแต่เพียงเล็กน้อยเพราะว่าตามธรรมดาของจิตก็มีสภาพคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดการอาการเช่นนี้ของจิตไม่ใช่เป็นม า, าเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นถ้าจะลอยถอยหลังไปไหลอสงไขยกลับนับตั้งแต่เกิดมาในระยะตน้น ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเป็นลำดับมาจิตก็คงทรงอยู่คุ้นเคยอยู่กับความผูสร้างของจิตเป็นปกตินี่ถ้าหากว่าจะใช้เวลาในการบังคับจิตให้ทรงอยู่ในรมรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก อยากจะเกณเวลาให้แน่นอนว่าต้องการเวลาสักครึ่งชงั่วโมงหนึ่งชงั่วโมงสองชองั่วโมงสามชั่วโมองอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าเป็นการบังคับจิตมากเกินไปเมื่อจิตมีสภาพท่องเที่ยวเหมือนกับคนที่มีอิสรภาพไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมาในการก่อน เคยเวอิสระจะไปไหนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้จะหยุดเมื่อไรก็ได้ทำมาแบบนี้เป็นอิสัยเป็นปกตินานแสนนานถ้าอยู่ๆก็จะมาบังคับบุคคลประเภทนี้ให้อย <c oughs> ู disease, <c oughs> ่ในขอบเขตจะไปไหนอยู่ในเกณฑ์บังคับโดยฉับพลันให้เขามีความพอใจด้วยความเต็มใจโดยที่มีอารมณ์ใจไม่กลุ่มย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าถูกกักขังถูกบีบบังคับมากเพียงใดจิตใจก็จะเกิดอาการเ ส, ส้นสศทานมีความกลุ่มเป็นปกติความไม่สมบายกายไม่สมบายใจก็จะมาเกิดขึ้นข้อนี้มีประมาณชั้นใดในการควบคุมจิตที่แม่ลมพงซ่านเริ่หน่อยตั้งการตัดสินใจไม่แน่นอนหาความไม่นคงของจิตไม่ได้อย่างหนึ่ง และจิตที่ประกอบก็คือความหลงคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราไปทั้หมดโดยไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเราจะมานั่งบังคับว่าจิตจงอยู่ในขอบเขตนี้ที่เราต้องการโดยใช้เวลาบังคับคือฝึกขั้นับแรกก็ใช้เวลา น, านานตั้งครึ่งชั่วโมงถึงหน่งชั่วโมงแต่คืนทำอย่างนี้แทนที่จะได้ดีก็กลายเป็นคมมีอารมณ์ุ่งสน เป็นการบีบบังคับใจเือนไปไม่ช้าก็จะเป็นโรคประสาทฉะนั้นองค์สมเด็จพระบร ม, มโลรสาธนาตทรงแนะนำการระงรับอาการโูกสร้างของจิตด้วยนาปานสติกรรมฐานโดยในองค์สมเด็จพระพุทธิตรมานทรงแนะนำว่าลองบังคับจิตตัวก่อนโดยใช้เวลายาวสักนิดหนึ่ง อาจจะตั้งเวลาไว้สักครึ่งชั่วโมงขึ้นหนึ่งชั่วโมงก็ได้ตามอัตยาศัยแต่ได้ว่าจะบังคับเจ้ซื่อสัต์เวลามากเกินไปให้ดูกําลังใจว่าสามารถจะมีความเข้มแข็งพอที่จะบังคับอา ร, รมณ์จิตให้รู้ลมให้ใจเท่าให้ใจออกได้ตามความต้องการหรือไม่ลองพิจธรรมไปพิจารณาไปการควบคุมจิตจะได้ในขณะไหน ถ้าว่าทำไปควบคุมจิตได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงตามต้องการอย่างนี้ก็ชี้ว่าคนนั้นเก่งมากต้องถือว่าเป็นคนที่มีความพื้นฐานเดิมมาดีมากถ้าจะพูดกันตามนักปฏิบัติเระกมาฐานก็สนแสดงว่ากดคนบุคคลนั้นไม่ในช่ก่อนได้ฌานสมาบัตมาก่อนแล้วลงค้นฌานสมาบัตเข้ามาถึงจิต จึงสามารถควบคุมอารมณ์จิตได้ถึงครึ่งชงั่วโมงนี่เป็นเหตุผลเหตุผลที่พอจะยืนยันได้ถ้าถ้าว่าถ้ากำลังของบุคคล น, นั้นไม่สามารถเคยทรงฌานมาในการก่อนหรือว่าทรงฌานมาในการก่อนแต่ส่วนกุศลอันนั้นยังไม่บรรดาลผลในปัจจุบัน ท่านผู้นั้นก็ไม่อาจจะสามารถทรงอารมณ์ให้รู้หลมหายใจเข้าหาใจออกได้นานแม้แต่เพียงสิบนาทีถ้าทำเพียงได้แค่ได้นิดนิดหน่อยน่อยไม่ช้าเพียงเท่านี้จิตก็เกิดา <c oughs> อารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่อลมอื่นจอนเข้ามาดีไม่ดีก็ลืมลมให้ใจเข้าหายใจออกไม่รับไม่ยอมรับรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกจิตไปจับอารมณ์อื่นเข้ามาแทนที่ คือหมายความท่องเที่ยวไปสวอารมณ์ต่างๆเนี่อการอย่างนี้จะมีกับนักปฏิบัติส่วนใหญ่ตามที่เห็นมาในการก่อนและในปัจจุบันมีสม่ำเสมอกันตลอดการตลอดสมัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใช้เวลามากเกินไปเกินกำลังของจิตใจที่สามารถจะควบคุมอารมณ์ให้คงที่ ถ้าความผู้ศาสมีมากอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีทรงแนะนําให้ใช้เวลาแต่เพียงเล น, น้อยด้วยใช้เวลาไม่มากเกินไปตามในที่องค์พระองค์ทรงแนะนําไว้ในมหาวิสุทธิมรักษในเนินสือวิสุทธิมรักษที่เรียกกันว่าปากกอนพิเศษ อันเป็นหนังสือที่พระพุทธโคสาจารย์สมัยก่อนโนนสมัยเมืองสุธรรมดีรสจนาไว้ท่านผู้นี้ทราบข่าวว่าเป็นพระไทยใหญ่ไม่ใช่พระแขกรสจนาไว้ว่าองค์สมเด็จพระสัมม า, ส, มาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำถ้ารมจิตมีความฟุ้งซ่านจริงๆไม่สามารถจะบังคับในระยะยาวได้ ก็พยายามฝึกโดยใช้เวลาน้อยๆคือว่าให้นับหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งขึ้นต้นหนึ่งแล้วก็ให้ใจเข้าใจออกขึ้นต้นหนึ่งแล้วก็ต่อมาจากอีกคู่หนึ่งเป็นสองแล้วขึ้นต้นหนึ่งสองสามขึ้นต้นหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ไปจนถึงสิบ ทดลองกำลังจิตว่าจิตจะทรงจะได้ชัวร์ดะใดแน่แต่มีวิธีที่จะแก้ปฏิบัติกันรู้สึกว่า่าง่ายกว่านั้นสักนิดหนึ่งโดยใช้เวลาสั้นๆให้พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใหใจออกนับเป็นหนึ่งคือจะนับเป็นคู่บังคับจิตคิดว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ประมาณสิบโค่ ขึ้นหนึ่งถึงสิบโดยตรงนับรดเดียวไม่ย้อนไปย้อนมาถ้าภายในระยะหนึ่งถึงสิบคร่นี้บังเอิญจิตจะคิดฟุ้งซ่านไปนอกขอบเขตที่ต้องการจากการกำหนดรูลมให้ใจเขาออกก็จะต้องลงโทษจิตคือว่าไปพลาดจุดไหนจิตไปสัวลมอื่นขึ้นแลบออกไปไม่กำหนดรูลมให้ใจเขาออกในระยะไหนก็ตาม จะต้องทรมานจิตมาคิดตั้งต้นหนึ่งกันใหม่จงกว่าจะถึงสิบเมื่อขาดตั้งต้นตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจิตสามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการแต่ว่าในระยะแรกๆก็ ร, รู้สึกว่าจะเป็นการทรมานจิตไม่น้อยเหมือนกันเพราะจิตเป็นมา้าพยศเราจะมาบังคับให้อยู่ในขอบเขตระยะสั้นๆย่อมเป็นของลำบากแต่ถึงกระไรก็ดี ถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ถ้าจิตมีความลำบากมากก็พักเสียหรือว่าไม่พยายามทําต่อไปปล่อยอารมณ์จิตให้คิดไปตามสมบายเพราะว่าการกักขังแกเกยเที่ยวมาบังคับขกเข็นให้อยู่ในสถานที่เดียวในเวลานา น, านๆย่อมเกิดความลำบากก็ปล่อยอารมณ์ไม่คิดไปตามเรื่องจำราว ถ้พอมีรมจิตสบายเข้าก็เริ่มตั้งตนใหม่ว่าหนึ่งถึงสิบอีกถ้าความลำบากมากขึ้นก็ไม่ต้องทนเลิกไปเสียเป็นการเยี่ยจุ่นปล่อยให้จิตบังคับบงังปล่อยตามอัตยาสัยบงังถ้าทำแบบนี้บ่อยๆถ้าจะกำหนดเวลาอย่างง่าย สมมติว่านักปฏิบัติเป็นคนที่มีเวลามากในการทำงานวันทั้งวันไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็ใช้เวลานอนไม่ต้องนั่งแล่การปฏิบัติเรือการปลดจิตองสมเด็จพระธรรมาสามิตรสอนตัดว่าจะนั่งก็ได้นอกนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้สำหรับการนั่งคนหาทาง คืออานิสงส์ที่นั่งแบบสบายๆไม่จําจะต้องบังคับไปนั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดร่างพับเพียบเจะนั่งในท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายมันสบายท่าไหนก็นั่งท่านั้นอันนี้หมายถึงว่านริยะการฝึกระยะแรกระยะการฝึกระยะแรกไม่ควรจะทรมานหรือจะฝืนกายเกินไป พยายามรักษากำลังใจเป็นสำคัญต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราฝึ ก, กจิตเราไม่ได้ฝึกกายกายจะสบายท่านไหนปล่อยไปท่านนั้นการฟังแบบนี้บางทีท่านผู้ฟังจะคิดว่านี่มันนั่งสอนให้คนขี้เกียดไม่มีระเบียบแต่อารมาก็เห็นว่าเป็นผลดีสำหรับนักปฏิบัติ แม้แต่ผู้พูดเองท้าไมอาตมาเองก็เช่นเดียวกันระยะใหม่ๆระยะกลางกลางบางครั้งที่ร่างกายมีความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะนั่งได้นานด้วยนายของการนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งพับเทียบก็ใช้อริยาบทที่มีความสมบายคือนั่งแบบเป็นศข นั่งท่าไหนก็าตามถ้าร่างกายสบายก็ทำท่านั้นรักษากำลังใจเป็นสำคัญนี่มาว่ากันถึงชาวบ้านที่มีงานมากเรื่องวันทำงานเต็มวันเวลาพักผ่อนในยากบางทีกลางคืนก็แถมมีงานอีก <c oughs> ถ้ามีงานมากประเพทนี้ <c oughs> ก็ควรจะตั้งเวลาไว้สองจุดให้เป็นเวลาแน่นอน วเวลานอนก่อนจะหลับไม่ต้องนั่งก็ได้นอนให้สบายแต่นอนท่าไหนก็เป็นไปตามอธัธยาศัยนอนให้สบายแล้วก็ขบังคับจิตว่าเราจะกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกในระดับแรกยังไม่ต้องรู้ยาวรูสัน้นเอาแพงเพียงแค่รูลมเข้าลมออกเสก่อนสิบครั้งเมื่อได้สิบครั้งก็เลิก ปล่อยารมณ์ไปจิตจะคิดยังไงหรือ ว, ว่าจะหลับไปก็เป็นไปตามมัตยาใสไม่มบบีบังคับแล้วก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นว่าถ้าตื่นจากนอนเมื่อไรก็จะพยายามกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกอีกสิบครั้งก่อนจะลุกไปสู่ที่ทำงานถ้าพยายามทำอย่างนี้ได้ไม่นานเท่าที่เคยทดลองมาแล้ว ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนจิตจะมีรมเรียบสามารถจะทรงสมาธิได้นแนบสนิทไม่น้อยกว่าครึ่งชงั่วโมงบางรายก็เกินกว่านั้นนี่ที่ฝึกเป็นมาจริงๆตามนี้มีผลจริงๆไอ้การฝึกการนับแบบนี้ได้วความจริงอันดับแรกรู้แต่ลมเข้าลมออก ถ้าพยายามฝึกอย่างนี้เสมอๆไม่เกินสิบวันจิตก็จะเริ่มมีสมาธิละเอียดขึ้นมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้น <c oughs> ก็สามารถจะรู้ลมหายใจเข้าใจออกทั้งยาวทั้งสั้นได้ตามอัิยาสัยและจิตใจก็จะเริ่มสบายความสุขในการในอารมณ์ของจิตจะมีมากขึ้นคำว่าบังคับจะไม่มีกับจิต เพราว่าจิตมีอารมณ์สมัครใจรู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขความสุขจากอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีมากว่าท่านผู้ใดสามารถส่งสมาธิจากอนาปานุสติกรรมฐานได้ท่านู้ น, นั้นจะมีความสุขกายและสุขใจมากเป็นที่สุดเพราะว่าพระกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานที่ระงับกายสังขาร ในเบริการหนึ่งก็เป็นกรรมฐ า, านที่มีภาค พ, พื้นใหญ่จะเจริญเป็นกรรมฐ า, านบทใดกองใดก็ตามและจะเจริญวิปัสสนาญาณก็ตามต้องขึ้นต้นโดยนาปาโนสติเสืกก่อนถ้าไม่ขึ้นต้นโดยนาปานโนสติเสืกก่อนจิตจะคุมได้ยากจะไปสมาธิยากกรรมฐ า, านกองนั้นๆอาจจะไม่มีผล หรือว่าถ้าจะมีผลก็เต็มไปในการทุรักทุเลต้องปลุกปล่ำกันเป็นอย่างมากถ้าถ้าอนนาปานุสติเป็นพื้นฐานแรกเริ่มจับอนนาปานุสติก่อนจนจิตใจเป็นสุขเม่อารมณ์เส บ, บายจึงน้อมจิตก็ไปสู่กรรมาฐานที่ตามต้องการ หรือว่าจะพิจารณากรรมาฐานกองใดกองหนึ่งในด้านสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได้ตามอัตยาไสจะมีผลดีรวดเร็วอารมณ์จิตจะสบาย <c oughs> นี่ว่ากันตามพื้นฐานของมหาคติปฐานนสูขถ้าใ้ใช้แบบเบาๆแบบนี้มีผลดีถ้าจะพูดตามในแบบของวิสุทธิมรร ทีพระพุทธโคสอาจารย์ทรงรุจนาไว้ตามหมดนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องมีกำลังใจเข้มแข็งมากถ้ากำลังใจอ่อนแอจะรู้สึกว่าอาจจะทำไม่ได้เลยหรือจะทำได้ก็ต้องใช้กำลังบังคับกันมากเต่ว่าถ้ามีความฉลาดก็ไม่หนัก ถ้าไม่ฉลาดในการปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะหนักมากกอดูดีไม่ดีก็ลมเหลวต้องเลิกกันไปตามตามกันตามแบบฉบับของพระพุทธโคสาจารย์ท่านบอกไว้ว่าการกำหนดรูลมให้ใจเท่าออกต้องกำหนดรูในจิตสามฐานเพื่อให้จิตรูกองลมสามฐาน เวลาให้ใจเข้าลมจะกระทบที่จมูกแล้วก็ระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือนสเสนอนิดหน่อยภายในไม่ใช่ภายนอกเวลาลมให้ใจออกให้คุยความรู้สึกว่าลมกระทบศูนย์เหนือนสเสน่ยกระทบหน้าอกถ้าเป็นคนมีริมที่ปากเชิดจะกระทบริมที่ปากบน ถ้าว่าเป็นคนมีริมที่ปากงุมก็จะมีความรู้สึกว่ากระทบที่จมูกท่านว่าการกำหนดจิตรู้ฐานรุมทั้งสามฐานจะเป็นกำลังให้จิตมีสมาธิมั่นคงถ้าว่าจิตจะเป็นฌานได้ง่ายแต่ถ้าว่าวิธีนี้นักปฏิบัติใหม่ๆก็ขอได้โปรดทราบว่า อยู่ๆก็จะมาแบกช้างไปอาบน้ำมันก็จะเป็นของหนักหรือว่าจะเอาไม้สีไปงัดไม้สรงก็ลำบากจะเอาด้มพราที่มีความแข็งมากมาเอาเข่าดันให้หักก็เห็นยัะไม่ไม่สะดวกนักนักปฏิบัติที่มีความฉลาดจะต้องรู้หลบเป็นปีกลู่หลีกเป็นหาง ให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าช้าช า, ชาได้ปลาได้งามถ้าหากว้หินก้อนใหญ่เราจะตีให้พังทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเลาะไปทีละน้อยๆจริงจะสาเร็จผลข้อนี้มีอุปมาชั้นใดหอมบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัตนินนนาปานุสติจมทาน ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุนั้นเปรียบเทียบกันไปที่พระพุทธ โ, โคสาจารย์ท่านบอกว่าควรกำหนดรู้ลมสามฐานหายใจเข้ากระทบจ ม, มกูกกระทบอกกระทบศู น, น ย, ย์เหนือเสน่หายใจออกกระทบระศู น, น ย, ย์เหนือเสน่กระทบรอกกระทบริมที่ปากถรือจ ม, มกูก ถ้าอันดับแรกจูโจมทำแบบนี้แล้วก็สามารถจะส่งได้จากสองสามนาทีอันนี้รู้สึกว่าเก่งมากต้องขอชมเชยว่าท่านผู้นั้นเป็นคนเก่งเพราะสามีกำลังจิตเข้มแข็งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะส่งได้ไม่เกินสองสามครั้งก็เกิดความกลุ้ม กุมเพราะอะไรกลุ้มเพออราะไม่สามารถจะรับการสัมผัสของลมหายใจเข้าออกได้ตามความต้องการถ้ามารับพาความสัมผัสตามความต้องการไม่ได้ความกลุ่มมันก็เกิดเหตุแห่งความกลุ่มนี้เป็นปัใจจัยให้คนเลิกจเจริญพระกรรมฐานเสียไม่น้อย